ขอความสุขความเจริญจะมีดท่านสาธารชนทั้งหลายประสูจน์ในวันนี้จะได้นำเรื่องปัญจุโปรสถาชาดกคือชาดกที่ว่าด้วยการรักษาโบสถของของคนของสัตว์ต่อห้าหาห้าท่านด้วยกัน อุโบสถนั้นเปรียบว่าการเข้าอยู่ประจำเป็นหลักปฏิบัติที่สืบต่อกันมาตั้งแต่โบราณการสำหรับคนที่ต้องการจะฝึกตัวเองให้มีความประนีตมากยิ่งขึ้นเราจึงพบเรื่องราวของการรักษาโบสถ ในชาดกต่างๆเป็นเรื่องมากแล้วนโการรักษาโบสุมันอาจจะเน้นในจุดใดจุดหนึ่งเป็นหลักจะเน้นเรื่องอาหารเน้นเรื่องเรื่องเพศเรื่องอะไรนี่ส่วนมากจะเน้นอยู่สองสามเรื่องจะหมายความว่าศีลที่รักษาเนี่ยคงจะก็ครบทั้งแปดข้ออย่างที่ว่า พอดีเมื่อวานได้ไปใ้ป่าบางการแล้วกลับมาถึงก็ดึกลแล้วรู้สึกสนใจกลุ่มคนจำนวนมากนะฮะที่ได้รักษาศีลแปดกันก็ศีบทสุทนะิแต่ก็ลองคุยเบื้องหลังดูแต่ละท่านจะเป็นความเสียสละที่น่าทึ่งนะฮะคือไม่ถึงก็บวชอ่ะ เราเรียกว่าบวชใจก็รักษาศีลบิสุทธิ์เป็นหลักและเจริญสมาธิแต่เบื้องหลังความเป็นมาของแต่ละคนเนี่ยคือบางคนใน ย, ยกกันมาทั้งครอบครัวเลยแต่ฐานะทางครอบครัว ด, ดีเศรษฐกิจ ด, ดีติดกุญแจบ้านแล้วก็มาอยู่กันบางคนเป็นข้าราชการอย่าเมืองกำลังเจริญก้าวหน้าก็มาอยู่นี่ ก็แสดงให้เห็นถึงว่าท่นเ่านี้มีศรัทธามั่นคงอย่างน้อยก็ก่อนหน้านั้นจนถึงวันนี้แล้วบางคนก็ทำในลักษณะมอบกายถวายชีวิตไปแล้วนะฮะก็หมายความว่าจะไม่กลับเข้าสู่บ้านแล้วแต่ก็ไม่ถึงก็บวชก็มาอยู่ตรงกลางรักษาศีลบวิสุด กระดิจิงก็เป็นการบวชอย่างหนึ่งแต่เป็นการบวชในด้า น, นจิตใจโบโซก็คือการเข้าอยู่ในแก่การควบคุมจิตใจของเราเอาไว้ไม่ทาไม่ทำอะไรไปตามปกติที่เคยทำแต่ว่าตามปกติแล้วชาวพุทธเราเนี่ยฮะจะพบว่าผมก็ดูได้ที่บทวัตรวรเองไง คือตอนรัตนาศีลก็ว่าพร้อมกันดังลั่นโบสถะพอถึงข้อวิการแล้วก็เสียงหายไปตั้งเยอะคือลองสังเกตดูลองนับดูนะฮะก็ทักงสิบกว่าคนนั่นเองที่รักษาศีลโวสุดปัญหามันมันมันอยู่ตรงไหนที่มันยากนักนา มายัางมองจากการสังเกตที่เราพบคําถามในที่ต่างๆนะรู้สึกว่าเป็นห่วงเรื่องกิน น, นะนะคือปัญหามันจะออกมาเป็นเรื่องกินนี่มากกินนั่นได้ไหมกินนี้ได้ไหมกลัวจะหิวอะไรแต่ไนเน แ, แสดงว่าก็เป็นห่วงเฉพาะข้อนี้แต่เราจะเห็นความจริงว่าชีวิตเราเนี่ยที่จริงอาหารเนี่ยเป็นเป็นปัจจัยเป็นเรื่องอาศัยอะไรนั้นเอง มันก็เมื่อเมื่อไม่หิวไม่ทรมานอะไรมากเกินไปมันก็มก็อยู่ในวิสัยที่ทำได้อยู่แล้วเราถ้ามองถึงว่าเพื่อนเราอื่นที่ก็อดจากหิวโหยมันก็มีอยู่เยอะในสังสารวัตรเนี่ยเราไม่รู้เองนะฮะเราก็เคยอดจากหิวโหยมาสักเท่าไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันอดจยากในลักษณะนี้หิวโหยนลักษณะนี้จริงมันก็มันก็มีทางออกนะ คือไม่ถึงกระทุกทรมานแต่ไม่ถึงก็อิ่มหมีปีมันมันก็อยู่ในจุดที่เรียกว่าพอดีแต่ว่าตัวกระตุ้นนี่ค่อนข้างสำคัญนะฮะตัวกระตุ้นค่อนข้างสำคัญว่าเราต้องมองเห็นเห็นความดีของบุญสุดหรือเห็นโทษของกิเลสนะก็แล้วแต่รุนแล้วแต่จะเป็นแรงผลักดันได้ทั้งนั้น ในข้อนี้ในชาดกนี้ผู้เจ้าได้ประรภบเรื่อง<ม>ก็ทั้งคนทั้งสัตว์นะะคือสรุปแล้วว่าสี้าท่านได้กันตอนในที่ประชุมซึ่งมีทั้งพระทั้งคารวะก็มีอุปศกุมหนึ่งก็ผู้เจ้ารับสั่งถามว่าพวกคุณยังรักษาบูชดกันอยู่หรือท่านเหล่านั้นก็บอกว่าก็รักษาบ้างไม่รักษาบ้างนะฮะ ก็ส่งเตือนไม่ให้คนหล่านั้นประมาทก็พยายามคิดในชีวิตของเราเนี่ยโอกาสเนี่ยก็ไม่รู้นะฮะว่าความตายจะเกิดขึ้นเมื่อไรบานถ้าทำได้บางควรจะหัดทำใช่้าะเพื่อเป็นการยกระดับจิตของตนให้สัมผัสกับความอดกลั้นความอดทน การลดละตันหาการตามใจตัวเองเนี่ยฮะก็ลดๆลงไปสักังแล้วก็รับสั่งล่า ว, ว่าในดีต ก, การเนี่ยแม้แต่สัตว์เชรัจฉานบางชนิดก็สามารถที่จะอาศัยสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นในชีวิตของตัวเองเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการรักษาวโสดได้ รับสั่งลาวบาทในอนดีตการนานมาแล้วก็มีทั้งสัตว์ทั้งคนคือสรุปไปอยู่ในในเขตแดนระหว่างอังคามครมกฏกาสีพระโพธิสัตว์เองได้เกิดเป็นลูกของเศรษฐีจะมีฐานะบางครั้งร่ำรวยมากแต่ว่ามันเกิดเบือ่อหน่ายเกิดเบือ่อหน่ายในทรัพย์สมบัติเกิดเบือ่อหน่ายในชีวิตการครองเรือน แล้วออกบวชแต่บวชกันแล้วก็ปรากฏว่ายังไปไม่ถึงไหนเหมือนกันน่นะะเพราะว่าจิตใจยังไม่เจริญก้าวหน้าเพื่อนก็มีมานะอยู่จัดคือความถือตัวนี่ยังติดไปเยอะเลยไปถือตัวอยู่ในป่าไม่รู้จะถือใครเหมือนกันเนี่ยนะฮะแต่ก็ตั้งยังแต่ยังก็ถือตัวจัดอยู่แล้วต่อมาก็มีสัตว์สี่ชนิด คือมีนกวิราบมีงูมีสุนัขจิ้งจอกแล้วก็มีหมีคืออยู่ใกล้ๆกันนะแต่วันหนึ่งก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของชีวิตแต่ละชีวิตคือสัตว์เหล่านั้นไม่มีใครออกหาอาหารคือซื้อเองก็ไม่ออกแม้เกิดสงสัยว่าทำไมจึงจึงคิดอะไรมาตรงกัน แล้วก็สอบถามคืออย่าไปติดใจนะฮะว่าสัตว์พูดได้หรือไม่ได้แล้วก็ติดต่อกันได้หรือไม่ได้นั้นไม่ใช่ประเด็นอนะถึงเ็อาจจะติดต่อกันได้นะฮะก็อาจจะพูดกันได้เขารู้กันได้แต่การคลุกคลีอยู่ด้วยกันนะเหมือนคนเลี้ยงสุนัข ก, ก็เข้าใจสุนัขเลี้ยงก่เข้าใจไก่เลี้ยงม้าขเขาา้เ า, ขเขาใจมานะ้านมันก็รู้กันได้เอ่อ ก็ไปถามนกพิราบว่าทําไมวันก่อนวันก่อนๆเธอออกไปหาอาหารกับนกตัวเมียแต่วันนี้ก็ไม่ยอมออกไปนกพิราบเขเล่าว่าเมื่อวันก่อนเนี่ยไปไปหาอาหารก็บินไปด้วยกันสองตัวผัวเมียแต่พอดีก็มีเหยื่ยวนกเขามามาเจี่ยวเอา ตัวนกนกตัวเมียไปเอแกหันมาดูมันก็มันก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วเหยวก็กินเนื้อของนกตัวเมียไปต่อหน้าต่อตาแกโศกมากแกทุกมากมานั่งคิดเชื่อมโยงอยู่ไอ้ความโศกเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรถ้ามันไม่เคยเกิดเวนี้มันเกิดเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรแต่ก็เห็นว่ามันเกิดมาจากความพลัดพลาด วัรพรากจากอะไ ร, ระพลากจากปัญญาเป็นที่รักแล้วคิดต่อไปว่าถ้าไม่มีความรักเนี่ยแม้จะมีการพลัดพรากแต่มันจะมีความสุขหรือเปล่าก็รู้ไม่สุขเพราะฉะนั้่านท่านท่า น, ท, านท่านจึงไม่ได้มองที่ตัวที่ตัวปัญญา กติโนกิราที่เป็นปัญญาแต่ว่ามองที่ใจซึ่งมีความรักว่ามันเป็นที่ตั้งแห่งความสุขนำมาซึ่งความสุขเพรา ะ, ะนั้นจะต้องทรมานตัวเองลดละความรักให้ได้ถ้าอย่างลดละไม่ได้ก็จะไม่ยอมไปหาอาหารคือสมาทานบูชสดอธิษฐานใจอยู่ตรงนั้นเอง เนีมว่าบทสดตรงนี้ควรเน้นไปที่ข้อพิกานะฮะเน้นไปที่ข้อพิกาเป็นวิธีในการท ร, รมานตัวเองอย่างที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังนะฮะก็ไม่ใช่ยกตัวอย่างนะเมันเป็นหลักอะ่อว่าคือเรื่องอาหารเนี่ยมันเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยแต่มากเกินไปมันจะเพิ่มทีนามิตะคือง่วงนอนกับกามฉันในช่วงต่อมา แต่น้อยเกินไปมันจะเพิ่มความหงุดหงิดในช่วงแรกแต่จะเพิ่มความความโกรธในช่วงต่อมาเพราะจะเป็นปัญหาใหญ่ประเด็นที่น่าศึกษาก็คือการมองเป็นกระบวนการก็จับมาที่ตัวความโศกนะครัจับไปที่ตัวความโศกความโศกมาจากอะไรมาจากการพลาดพราดพลาดพลาดจากใครพลาดพลาดจากพัญญา แลพลาพลาดแล้วทําไมจึงต้องเสียใจก็ เ, เพราะว่าใจมันมีความรักในตัวในตัวปัญญานัปัญหาใหญ่ผมก็อยู่ที่ตัวความรักไม่ได้อยู่ที่ตัวการพราดพไม่ได้อยู่ที่ตัวใครหรืออะไรแต่อยู่ที่ใจเราถึงไปเกาะไปยึดอยู่ในจุดนั้นเท่านั้นเองดังนั้นก า, การแก้ปัญหามันก็ไปแก้ที่ตัวโดยการฝึกใจให้ สามารถถ่ายถอนผ่อนคลายความรักลงไปได้ทีนี้ความรักเนี่ยมันถ้าไม่แรงมันไม่ค่แปลกนะมันจะมีเหตุผลในตัวของมันเองแล้ก็ยอมรับความจริงในเรื่องทั้งหลายเวลาพลาดพลากมันก็เข้าติเข้าถึงกติธรรมดาเราจะเห็นว่าตัวความรักนั้นเป็นสมุทัยนะครับตัวความพลาดพลาดมันก็เป็นทุกข์ เวลาพระพรากก็จริงๆมันทุกมันจะน้อยนะฮะเพราะเข้าใจว่าความพระพรากเป็นเรื่องธรรมดาคือมันเริ่มต้นจากการไม่รู้จักกาันแล้วก็มารู้จักกาันแล้วมาอยู่ด้วยกันแล้วก็จากกาันมันก็เป็นสูตรนะฮะเป็นสูตรที่มีอยู่ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเป็นอะไรก็ตามแต่ปัญหาใหญ่มันอยู่ที่เกิดไม่รู้เท่าทันถึงความจริง ในลีลาของอารมณ์แล้วในสุดก็ไป <c oughs> ไปหมกพุน้นดูกับเรื่องนัดนั้นเ <c oughs> มื่อวันก่อนเมือ่อเมื่อวานเนี่ยนะฮะไปยืนดูศพผู้หญิงอยู่คนหนึ่งอายุสิบเก้าปีก็มาแช่แห้งไว้ใส่ลงไว้ให้ดูฮะแล้วก็ข้างหน้าก็มีศพจำแหล่สองสามศพไปยืนดูอยู่ไหน แล้วปรากฏว่าปัญหาของผู้หญิงคนนี้ก็ที่จริงแต่ว่า น, นิดเดียวก็นิดเดียวนะฮะคือแต่งงานแล้วพ่อสามีด่าอยู่เรื่องเดียวเนี่ยสามเดือนต่อนเนื่องเนี่ยแกแค้นใจแกฆ่าตัวตายเราจะเห็นว่าชีวิตที่พ่อแม่แกเลี้ยงแกมาสิบแปดปีกว่าแกมาเสียสะละให้พ่อผัวเจ้าเพราะพ่อด่าเพียงหนึ่งเดือนเพียงเพียงเพียงสามเดือนแต่นั้นเอง ก็เป็นเรื่องของการใช้อารมณ์เป็นความอ่อนไหวใ น, นจิตใจที่ไม่มองอะไรให้เห็น อ, อ, อย่างน้อยก็ชั่งน้าหนักให้ได้นะฮะพ่อแม่เป็นผู้ให้ชีวิตแต่เราทำลายชีวิตเพื่อประชดพ่อสามีถึงเป็นใครก็ไม่รู้เพิ่งรู้จักกันไม่ ก, กี่วันแต่ก็ไม่ได้ทนุทนอมน้ำใจของพ่อแม่ แต่พอแม่เขาูก็เป็นผู้ปฏิบัติธรรมเขก็ไม่เสียใจอะไรทไลัยแต่ต้องการจะสอนก็ดื่มก็เอาเริ่มเรื่ ม, มาใส่ลงวางไว้นะให้ดูใส่ลงแก้วด้วยนะฮะแก้วด้วยแต่ที่จริงก็เรียนธรรมะตรงนี้ได้เยอะนะฮะนั่งล้อมบงกันแล้วก็เทศได้หลายกันแต่ก็ดูศพไปด้วยก็พูดไปด้วยวจะพูดอะไรก็ได้นะฮะพูดเรองทุ่งก็ได้เจยกรรมาฐานก็ได้ทั้งหลายข้อ วันไอ้นกพิราบแก ม, มองเป็นกระบวนการอย่างเนี้ยมันแผนที่จะไปแก้ปัญหาที่นกห ย, ยิที่เดี่ยวนกเขามันก็สู้มันไม่ได้อมันก็ยุ่งกันใหญ่เลยไอ้ก็จะแก้ปัญหาที่ตัวเองคือตัดเยื่อใหญ่ของความรักยอมรับการพลาดพลาดแต่สิ่งการพลาดพลาดมันต้องมีจะเป็นเดี่ยวนกเขาหรือไม่เหี่ยวนกเขามันก็คือกันก็ตายด้วกันยิ่งแต่ว่าใครจะตายก่อนตายหลัง ปัญหามันก็ต้องมาแก้ที่ใจคือถ่ายถอนผ่อนคลายความรักลงไปก็นกพิราบก็คิดได้คมกันนะฮะคิดได้คมแล้วในที่สุดก็เข้าอยู่อุโบสถคืออยู่ประจำนะฮะอุโบสถจริงๆมาเข้าอยู่เพราะแนวแม่ชีของเราที่มีในสังคมไทยทจริงๆมันก็คือแนวอุโบสถ ว็นนี้กำลังเถียงกันใหญ่ว่าแม่ชีเป็นนักบวชนักพรตหรือไม่นะครับมามองเป็นเป็นประชากรตกสํานวจด้วยจำไปคือไม่รู้จะเป็นอะไรเป็นปราก็ไม่เชิงเป็นเป็นนักบวชก็ไม่เชิงเป็นกราวาก็ไม่ใช่ราชการเองก็ละเลยคณะสงฆ์ก็ละเลยกลายเป็นถูกทอดทิ้งไปไปอย่างน่าจะได้ คือพลังความรู้ความสามารถต่างๆที่น่าเอามาใช้เกิดประโยชน์แก่สังคมก็ไม่ได้ใช้ที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเรามองในทางพัฒนาการมันก็เกิดมาจากว่าท่านเหล่านั้นแหละรักษาโบสถ์ก็คือการเข้าอยู่เข้าอยู่เข้าอยู่ไปจำในวัดแต่ต่อมามันก็มีปัญหาที่ที่ที่จะต้องพยายามแก้กัน ถ้าอยู่แล้วกระทำยังไงเราก็ไม่มีปัญหาเรื่องสระผมเรื่องอะไรแต่ไหก็ตามมาผู้ชาเองผมสั้นนะฮะเราจะพบว่าไอ้ซาบุรุฤชีปะไอ้ชีปะขาวนะฮะเขาไม่ค่ยโกนผมเพราะผมก็สั้นอยู่แล้วแต่ผู้หญิงเมื่อเกิดผมยาวแล้วก็มีปัญหาเรื่องการสระผม ก, ะการําระร่างกายทําะไรรักษาความสะอาดในสุดก็โกนเงยไปเลยก็ออกมัโกนก็โกนเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะ แต่เวลานี้ก็กลับมาในรูปชีไม่โกลนผมยังเมื่อวานเนี่ยก็ไม่โกลนผมนะฮะเมื่อวานน่ะเจอก็ก็ไม่โกนผมส่วนใหญ่จะไม่โกลนผมจริงไม่อยู่ติดโกลหรือไม่โกนเพียงแต่ว่าโกนลตัดกังวลไปเท่านั้นคือถ้าต้องการให้การอยู่สงบเนี่ยมันไม่มีปัญหามาแบ่งแยกตัวเองออกไปไปยุ่งเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นมันก็เสียเวลาก็เลยโกลนิดเลียวเลยนะตัดปัญหาออไป แล้วก็มาสืบทอดกันมาคนกลุ่มหนึ่งเห็นดีมันก็ตามมาสายนี้คนกลุ่มหนึ่งที่ยังไม่เห็นจับเป็นหรือว่ายัางเสียดายผมอยู่มันก็อยู่ในกลุ่มของพวกรักษาอุสถศรีนซึ่งกลุ่มเหล่านี้ก็มีมากกว่าแต่ปัญหาใหญ่มันก็คงอยู่ที่ว่ารักษาได้ดีหรือไม่ในตัวบุสถศีมันไม่ได้อยู่ที่ตัวรูปแบบแล้วต่อมาก็มาบรอบถึงงู นกพิราบเล่าประวัติตัวเองแล้วก็ถามถึงงูว่างูล่ะเธอทตะมา่ไปหาอาหารไป น, นอนกดงูมันบอกวา่ามีวันหนึ่งเนี่ยกําลังเลื้อย่ะหาอาหารอยู่แต่พอดีฝูงโคเนี่ยมันเดินมาแกก็กลัวแกก็วิ่งนะแกก็เลื้อยหนีที่มันโคที่เป็นมงคลโคศักดิ์สนะิทธิ์แล้วนะฮะโคพวกพรามโคศักดิ์สิทธิ์เขา มันก็เอามาเลี้ยงไว้บริเวณใกล้ๆที่รูของแกแล้วโคตัวนี้ก็นอนแล้วเขาเนี่ยไปแทะอยู่ที่ที่ปากกลัวแต่แกก็กลัวถูกโคขุงโคบันเดยบแกก็เลื้อยก็ไปเลื้อยก็ไปโคนี้ก็ยกเท้าทับพอดีเลยระเจ็บระโกรธก็กัดตายพอกัดตายเนี่ย ไอ้เจ้าของโครหรือราษฎรที่อาศัยวาสนาบา ร, รมีของโคเหลนี้อยู่ก็เสียดายโ ค, โคที่เป็นมงคลตายไปแล้วนะครต่อไปพวกเขาจะประสบความเดือดร้อนในนั้นในนี้ก็ว่ากันไปร้องห่มร้องไห้บริเวณธนาการค่าครัวบริเวณาค า, า, า, า, าดังเป็นเรื่องคนมากงูก็มาคิดว่าไอ้ความโศกที่เกิดขึ้นแก่หมาชนเหล่านี้มันก็สืบเนื่องมาจากการตายของโค ถึงก็ถือว่าเป็นโคมงคอลเป็นโคสิรนะิสามารถที่จะหนวยประโยชน์ความสุขแก่ เ, เขาได้แต่หมาโคมันตายเพราะใครนะตายเพราะเรา ก, กัดมันถามทําไมตึงกัดนะฮะเพราะว่ามันไปเยียบอนะเอาขาไปทับเอาตัวขันดของเขาแล้วก็ทําให้เรา ก, กัดเตยเหตุการณ์จริงๆเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นมันอยู่ที่โกรธ มันอยู่ที่ว่าเราโกรธ ถ, ถ้าเราไม่โกรธเนี่ยมันก็เจ็บนิดหน่อยมันก็ไม่ถึง ก, กัดเราจะเห็นว่าเราเจ็บเนี่ยเล่นเล่นเพื่อนตายแน้วมันก็เกินไปเออเหมือนกับยุงกัดเราแล้วเราก็ตบตายเลยมันก็เกินไปแต่ว่าจริงๆยุงก็ขอเลือกกินนิดเดียวเอง เ, ออเราก็เล่นเพื่อนตายเนี่ยมันมันมัน แล้ว ก, ก็นึกเทียบเคียงดูนะฮะว่าถ้าเราจะไปขออาหารใครให้กินอิ่มเลยเลี้ยงดูอย่างดีเลยแล้วเสร็จแล้วก็ฆ่าตายแล้วก็ไม่เอาอายุงมันก็ไม่เอาเหมือนกันเพราะงั้นความคิดเหล่านี้ที่สําคัญอย่างยิ่งอยากจะท่านทั้งหลายสังเกตคือมองเป็นกระบวนการแล้วไม่หลบไม่หลบมูลเหตุของปัญหาไม่หลบมูลเหตุของปัญหาซึ่งเป็นนิสสํา สำนวนที่เขาพูดกันในสังคมเนี่ยมาว่าเข้าทีนะแต่ว่าใครพูดไม่รู้แต่ว่ามันมั น, ม, นมันแพร่หลายมากแล้วก็ท่องกันเป็นสูตรเขาว่าคนดีชอบแก้ไขคนจังไรชอบแก้ตัวไอ้ น, นี่เราเห็นสูตรเลยหมายความว่าถ้าคนไม่ดีมันจะหลบประเด็นของมูลเหตุปัญหาพอถึงพอถึงตัวมูลเอกนี่จะหลบไปจะหลบไปแล้วจะโยนลูกให้คนอื่น คือพวกแก้ตัวแต่คนดีนั้นเมื่อมองเห็นปัญหามันก็คือปัญหาแล้วก็สาวไปปัญหาแต่ปัญหาเกิดที่เรามันก็ปัญหาก็มาจากเราอะเมืองผลงอมาจากต้นง้อดอกหุธตพิษก็มาจากกอหัตะพิษมันไม่ได้มาจากอื่นเพราะสาวไปสู่สาเห ต, ตุเราจะเห็นว่าภาพจริงในชีวิตจริงไ อ, อ้งูมันก็คงเจอโคเยอะมาแล้วนะ แต่ว่าอันตรายเหล่านั้นก็ยังไม่เกิดขึ้นอต่ที่เกิดเขาก็ไม่ได้จงใจอะไรนะฮะเพราะฉะนั้น ต, ตัวใหญ่เลยมาแก้ตีตัวเองต้องการข่คมความโกรธให้ได้คือสาปใดที่ยังละความโกรธไม่ได้ยังคงมความโกรธไม่ได้เนะี่ยก็จะไม่จะไม่ออกากอุโบสถหมายความมันทรมานจนถึงที่สุดนะ ตอนดัดสันดานตัวเองเห็นไหมทั้งทั้งทั้งนกพิราบทั้งทั้งงูเนี่ยประสบปัญหาด้วยกันแต่ว่าปัญหาคนละเรื่องกันนะครับนกพิราบนั้นความเศร้าโศกของตัวเองแต่งูนั้นเป็นความเศร้าโศกของคนอื่นแต่ดึงความสศร้าโศกของคนอื่นเอาจิงมันสืบเนื่องกับเราคือคือสืบสืมเนื่องกับงูก็เลยก็เกิดสลดใจว่าความทุกข์ทรมานเหล่านั้นก็เกิดสืบเนื่องมาจากความโกรธของเรา นะงูกโกรธรูปเดียวแต่สร้างความท้อโศกเกี่ยคนมาศารมากๆแล้วเกิดสลดเกิดสลดใจแล้วก็ต้องการจะข่มความโกรธต้องการจะละความโกรธซึ่งเดี๋ยวจะพบว่าความโกรธเนี่ยจุดหนึ่งมันก็ออกมาในรูปของปทัสรายที่แร็แรงมากแรงน้อยก็ไม่รู้นะฮะก็แล้วแต่ว่าโกรธมากโกรธน้อย แต่มันที่ตะกรใจเนี่ย ne, คือกลายเป็นพวกพยาบาทกลายเป็นพวกอาคาตพกจองเวรก็เมื่อวานเนี่ยก็ยกตยัวอย่างให้ที่ไปชูบนงที่นั้น บ, บนเขาเลยนะเมื่อวานเนี่ยขึ้นไปเทศยูีบนเขาเลยแต่ขึ้นเองไม่ไหวแล้วเขาหามขึ้นไปมันสูงเกินเดินทางตั้งชั่วโมงครึ่งขึ้นไปถึงยอด เราก็บอกว่าความโกรธเนี่ยคือเราลองดูไว้เดียวพวกพวกความโกรธพวกความพยาบาติคือเราคิดเองนะฮะมาความเราเก็บความโกรธความพัาบาติมาแล้วเราคิดเองต้องการจะแก้แค้นเขาหรือแม้ด้เกิดขึ้นในขณะนั้นของเราคือถ้าดูไปเป็นภาพง่ายๆแล้วเหมือนกับเราเราหยิบขี้หมาใจปลาคนเหนียดเนี่ยนะคือมันโงต่ตั้งแต่หยิบขี้หมาแล้วนะนะโง่ตั้งแต่หยิบขี้หมาแล้ว แล้วก็มือเราก็เปื้อนก่อนแล้วเราก็เหม็นก่อนนะฮะแล้วปลาก็ดื่นถูกหรือไม่ถูกไม่รู้แต่เราต้องล้างมือนะเราตอนล้างมือเราก็เสียหายมากกว่าคนอื่นเลยคือมันเริ่มจากหลงไปหยิบเอาสิ่งสกปรกเข้าวแล้วตัวเองก็เปื้อนตัวเองก็สกปรกไอ้ส่วนทําอันตรายกว่าอื่นได้หรือไม่ได้ไม่รู้มันอีกต่อหนึ่งแต่ถ้าสมมุติว่าทําได้ความทุกข์ก็กลับมาสู่เราเพิ่มขึ้น แต่ที่จะเป็นการลดปัญหามันก็สร้างปัญหาเพิ่มขึ้นด้านงูเองมันก็มองเห็นความโกรธในจุดนี้ว่านําปัญหายืดเดือนนะฮะเราจะเห็นว่าจากตัวเองโกรธปุ๊บเดี๋ยมันก็นําไปสู่โคซึ่งเป็นสิริมงคลตายตัวหนึง่งเจ้าของโคก็หาโคศูนย์ไปตัวหนึง่งเงินนัน้นเยอะแยะไปหมดเลยและชาวบ้านทึ่เกี่ยวข้องกับโคตัวนั้นอยู่เนี่ยก็ต้องประสบกับการโศกการพลัดพรา ก, ก, กแล้ว ก็ต้องการมีก็ต้องหาเงินต้องการรวบรวมต้องไปหามาแล้วต้องเลี้ยงดูป่าเยอะแยะไปหมดเลยกรดนิดเดียวเองอะแต่มันสร้างปัญหายืดเยื้อยาวนา น, นเราก็มองเห็นภาพเหมือนกับไฟแต่มันลุกไหม้ขึ้นมาแล้วก็ไม่มีการดับได้เชื่อเรื่อยก็ไหม้รุนแรงขึ้นไปทีตีแต่งูก็คิดเห็นโทษตรงจุดนี้แลุ้สุดก็ไปเข้ากรรมฐ า, านก็ามาถึงหมาจริงจอ่อ มาจึงจอกนั้นดูสีถามว่าเธอล่ะทำไมไม่เห็นออกไปหากินทั้งจอกบอกว่าคือวันก่อนหลายวันมาแล้วนะฮคือไปเจอซากช้างเชือกหนึ่งมันล้ม mm. ก็นึกว่า mm. โอ้โหได้อาหารกองโตเลยทีเนี้ย mm. ก็ข้าไปกัดที่งวงช้างมันเจอเมัอนก็เสา์กัดไมข้า ไปกัดที่งามือก็กัดไม้นะฮะมันกัดไม่เข้าไปเขากัดที่หางก็มืกัดเชือกทำไม่ได้กาหาทางกัดไม่ได้เสร็จแล้วมันก็ไปกัดที่ทางถาวรหนักอะก็นี้มีเนื้ออ่อนที่ใช้กัดได้หน่อยนะแล้วกัดแล้วก็ลุยเข้าไปเลยทีนี้ก็ถือว่ามันก็ได้อาหารมาคือมาแล้วก็ไม่ไปไหนนะกินอยู่ใหนนั่นกินเข้าไปอยู่ในท้องของช้างเลยนะฮะกินกินกินจน จนมีช่องว่างแล้วข้าไปนอนอย่างนี้นนะฮเย็นสบายนอนกินอิ่มก็นอนหลับไปแล้วก็หิวขึ้นมาก็กินต่อมันกินจนเพลินนะฮะกินกินจนเพลินต่อมาซากช้างมันก็เริ่มน่าเริ่มเริ่มยุบตัวลงไง น, นะฮะยุบตัวลงไอ้ปากถวาวหนักมันก็ปิดปิดหมาจิงจอกก็ดิน้นออกไม่ได้หรือจะทำยังไง ทีนี้ตัมาฝนมาตกฝนมาตกก็ช่องช่องที่เข้ามามันก็เปิดเปิดแต่ก็เดนิดเดียวแต่ตัวน่ะตัวหมาจิงจ่อคนใหญ่เนก็ดิ้นอย่างแรงฮะดิ้นจนขนนี่รูดตัวเลี่ยนเลยเอาปถึงก็ตัวก็ไม่มีขนไปเลยแล้ก็มองดูทั้งเบสตัวเองดูเร่ตัวเองพอเห็นแก่กินจนไม่ดูอะไรเลย ลักษณะความโลภเนะเป็นเช่นนั้นคือมันมันมันจะมืดมันจะปิดบังดวงตาทุกเรื่องนะฮะกิเลสประเภทควาเนี่ยจะเป็นความโลภจะเป็นความรักจะเป็นตัณหาจะเป็นความปรารถนาจะเป็นความเพลิดเพลิ น, น, นอะไรแต่ไรที่มันออกมามันจะลืมอะไรหมดเลยแล้วพวกนี้ที่ตายง่ายไหมาตายง่ายมากๆเลยเพราะอะไรเพราะมันขาดสติใจมันไปอยู่กับไอ้สิ่งเหล่านั้น จะอยู่กับสิ่งที่เราอยากได้สิ่งที่เราเพลิดเพลินสิ่งเราพอใจเราดูเฉพเด็กๆรุ่นใหม่ที่แกไปอยู่ในอะไรอะ่ะคอนเสิร์ตคอนเสิร์ต อ, อ, อะไรแกเนีนะ่ยะไม่กินไม่ขับถ่ายไม่อะไรแล้วเต้นเหงื่อโชคงนัะ่นนะฮะหมดทั้งตงังหมดทั้งแรงเสียทั้งสุขภาพนะกว่ากลับบ้านกับโซซัสโซเซมาเลยนะพวกนักรุนซรีก็รวยเออไม่รู้เรื่องเลยนะพวกนั้นมันเหนื่อยเหมือนกันนะแต่มันเหนื่อยได้ต่าง ปีนี้เหนื่อยเหมือนกันแต่เหนือ่อยยิ่งเหนือ่อยยิ่งหมดเลยเพราะในลักษณะเหล่านี้เราก็ก็เห็นภาพว่าเวลาความโลภมันเกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนอะไรที่ก็แสดงความรักมันโรคาบันดานตายมืดมนไม่ยินและไม่ยนอุปัสรักนั้ น, นแต่ใดๆความรักมันโขสึกกำลังคึกไปขังไว้ก็จะโลดออกจะเข้าไปบ่ยอมอยู่ในะที่ขัง ม, มันมันมาภาพมันเป็นอย่างนี้นเพราะว่ากิเลสประเภทนี้มันก็กิเลสประเภทโลภ หรืออยากได้แล้วจะไม่มีเหตุผลอะไรจะไม่ได้มองคือมองเฉพาะสิ่งนี้ตัวเองได้แต่จะไม่มองถึงสิ่งที่ตัวเองเสียแล้วก็ไม่ค่อยมองภัยอันตรายอะไรเพราะแนวที่เคยเล่าให้ฟังนะฮะว่าเช่นสมมุติว่าเที่ที่ที่ที่เขาล่อจับกวางกวางทองจับมันยากมันฉลาดมันมีไหวพริบดี แต่แกยังไงจะจับได้ก็กั้นคอกขนาดใหญ่ล้อมรั้วขนาดใหญ่ไว้เอาน้ำหวานไปทาไว้ตามใบหญ้าใบ ไ, ไม้ที่กวางชอบกินทาเป็นทางเดินเลยกวางกินในหญ้านี่มันรสชาติมันแปลกกินแล้วมันหวานกินตาไม่ได้กินเพลินเลยนะข้าไปในคอกเมื่อไรยังไม่รู้เลยเพราะรใจเปนะ็นอันมันอยู่กับกินอยู่กับความอร่อย อร่อยมาจากอะไรมาจากต้นไม้ต้นไม้ชนิดไหนก็ก็ไปที่ต้นไม้ชนิดนั้นเพราะมันจะพูดไปต้นไม้ชนิดเดียวแล้วก็ไม่ดูซ้ายดูขวาอะไรเพราะแนวการดักบ่วงแนวอะไรก็จะมีลักษณะอย่างนั้นคือยั่วมัญอยากดักศาสตร์บันก็บ่วงใส่ไว้ในในอะไรอันนี้ก็พุ่งตามันก็ดูเฉพาะเฉพาะอาหารตกเบ็ดอะไรก็แนวนั้นทั้งหมดอนะฮะเราเห็นว่ามั น, ม, นมันลักษณะการยั่วอยา แล้วใจคนก็จะพุ่งไปตรงนั้นโดยไม่ดูตรงอื่นไม่ดูตรงอื่นบางทีคอก็ติดหนาบางทีขาก็ติดก็แล้วแต่กจะดักเร็วๆบางทีเข้าไปทั้งตัวเลยถึงว่าจิตที่มันอยากนะมันจะเป็นอย่างนั้นมันจะเพล่อมันจะผลักใส่มันจะเสือกใส่คนให้ไหลหไปเรื่อยๆแต่ก็แรงขนาดไหนไม่รู้แล้วเหตุผลมันจะหายไปเรื่อยๆเหมือนถึงจุดหนึ่งนี่คนดึงความทําความชั่วเพราะความอยากได้ ก็แรงบ้างไม่แรงบ้างก็เรื่องบางเรื่องมันไม่น่าไ ม, ไม่น่าอะไรอ่นะฮะไม่น่าที่จะทํามันก็ทําไปได้นั้นก็คือลักษณะของของอารมณ์ของกิเลสที่เกิดขึ้นภายในใจก่อนตัวนักจิ้งจอกมันก็มองเห็นโทษอันนี้ดีหน่อยนะฮะคือว่ามองเห็นโทษตัวเองอย่างน้อยก็เจ็บแล้วก็รู้จักหลับจําแต่ที่น่าช้าก็คือว่าคนเป็นอันมากที่ไม่รู้จักหลับจํา บางคนก็ติดคุกเรื่องเดียวกันนะติดมรูุ้กคี่ครั้งเลยติดเรื่องนั้นนะี่แหละเหมือนอะไรที่เรียองซื้อปิโบรงกรหายไปไหนแล้วบนะ้างเนาะเดี๋ยวติดคุกเรื่องเดียวสามสิแปดครั้งอนะ่ะเรื่องเรื่องอะไรสี่สิแปดครั้งอนะ่ะเรื่องกินอาหารแล้วไม่จ่ายตังค์ตัวอุตส า, าติดคุกอยู่ได้นะครั้งแล้วครั้งอีกสี่สิบแปดครั้งก็เรียกว่าอายุส่วนใหญ่แล้วก็มีอกินอาหารไม่จ่ายสตางแล้วก็เข้า เข้าคุกแล้วออกจากคุกก็กินอาหารไม่จ่ายสตางค์แล้วก็เข้าคุกอวงจรของแกก็คงอยู่แค่นั้นเองเออการเป็นเรื่องแปลกแต่นั้นมาย่างยังมองจิใจใจแกคงผิดปกติามากๆเแต่ว่าคนเราไม่น่าจะเอาอิสระภาพไปเสี่ยงอาหารเพียงมือเดียวก็ที่จริงก็กินเกินไปนะจ่ายเกินไปเลยนี่ก็คือคือเราจะเห็นว่า นกพิราบก็เห็นโทษของความรักงูในเห็นโทษของความโกรธแล้วก็สุนัขจิ้งจอกก็เห็นโทษของความโลภจึงจึงเกิดสานึกตัวและหลาบจำเพราะเป็นประสบการณ์ตรงนะฮะทุกตัวนี่ ป, นประสบการณ์ตรงก็ประสบความโศกรู้ตัวเองประสบความ โกรดด้วยตัวเองแต่ว่าปัญหาที่น่าคิดคือว่าตัวงูเนี่ยใจมันเอื้อเฟือนะคิดเอื้อเฟือเพราะตามปกติแล้วคนถ้าขาดน้ำใจมันจะมองในแนวสะใจสมน้ำหน้าอยากอยากมาทำฉันเจ็บก่อนนี่ดีแล้วไม่กัดให้ตายมากกว่านั้นไล้เลยผมจะไปหายไปเลยจะไปอีกเรื่องหนึ่งเลย แต่วันนี้ก็คิดดีคือว่าเป็นคนที่มีน้ำใจคิดถึงความทุกข์ของคนอื่นประรบทุกข์ของคนอื่นแล้วก็เชื่อมมาจนถึงตัวเองเนี่ยก็แสดงว่าก็ไม่เบานะฮะคิดคิดได้ลึกถึงมากแต่คนส่วนใหญ่นั้นจะคิ ด, คดแนวสะใจนะฮะเมื่อสืบเนื่องจากเราและความบิบัต่างๆนี่คือสืบเนื่องมาจากเรารู้สึกจะสะใจที่ได้สแสดงความโกรธแล้วก็การทาลายล้างที่สืบเนื่องกันไปนะ เราจึงมีคำว่าสมน้ําหน้าอะไรต่ออที่เราใช้กันเนี่ยมองกลับไปดูนะ จ, จะเห็นว่าความพิบัตินั้นมันเกิดขึ้นจากเราอยากให้เกิดความพิบัติเร า, า จ, จะทําเองเราให้จะให้อาจจะให้คนอื่นก็ทําหรืออาจจะเขาประสบอันตรายขเขาเองแต่มันตรงที่เราคิดไว้เราจะรู้สึกสะใจจะรู้สึกจะพอใจมากแต่เกิดความพิบัติเหล่านั้นขึ้นมามันคือใจที่มันมันมันย่งมืดบอดด้วยเหตุผลโดยกิเลสจะออกมาแนวนั้น แล้วการต่อไปคือหมีหมีก็เหมือนกันนะฮะนอนจําโบสดเหมือนกันก็อยู่ ใ, ใกล้ๆอาศรมฤาษีเราถามว่าเป็นยังไงเธอจึงจึงมานั่งอยู่จะเข้าโบสดเหมือนกันรักษาโบสดเหมือนกันหมีมันบอกว่ามันมีวันหนึ่งที่คืออยากไปกินอาหารในต่างแดน ที่ว่าตนไม่เคยไปนะออกไปนอกเขตที่ตนเคยไปเจ้าบ้านก็เห็นก็บอกกันว่าหนีมามนีมากา ต, าต่างคนต่างก็กลัวนะฮะทีนี้กลัวก็ไล่ยิงไงไล่ยิงก็มีกันนี่ไล่ยิงไล่ทุกโดยการตระหนูก็บาดเจ็บดัดได้บาดแผลมาบเบวอบะไปหมดเลยนะแต่ก็ห น, นีมาได้นะฮะพวกง่าย ม, านมันหนีมาได้แกเชื่อมโยงแผลของแก อันนี้เชื่อมโยงเป็นวงกลมนะะเชื่อมโยงวงกลมมากหมายความมันเชื่อมโยงแผลของแก่เพราะมันมาจากอะไรก็ปรากฏออกมาจากการตีการยิ่งของชาวบ้านซึ่งอยู่นอกเขตแดนทีนี้ถามว่าทำไมก็ต้องตีก็าต้องริงก็เพราะหลบเขาเขากลัวนะเขากลัวแต่ทีนี้เ อ, อเขากลัวใครก็กลัวเรา แล้วทำไมจึงกลัวก็เพราะเราเป็ น, นรัตตุารแต่เขาก็ไม่เคยเห็นทีนี้าถามว่าทำไมจึ ง, จ, งจึงต้องมีการตีนะเพราะเราเข้าไปนะเราเข้าไปในสถานที่นั้นาถามมาทาไมเข้าไปนะเพราะความโลภโลภดากไ ด, ได้อะไรก็อยากได้อาหาร แล้วที่ที่อยู่ที่เคยกินไม่มีอาหารนะมันก็มีแต่มีน้อยหรือแสดงความโลภเกินไปโลภเกินไปที่อยากได้อยากมีอยากเป็นเกินไปจนไปหากินข้ามถิ่นข้ามแดนนะฮะข้ามถิ่นข้ามแดนในตัวเคยอยู่สังคมไทยเราก็มีเยอะนะฮะพวกเจ้าป่อพวกเขตแดนอะไรต่างๆแม้ในกรุงเทพมีทั้งนั้นนะฮะนิวยอร์กนเยอกทีมีทั้งนั้นเลยหากินข้ามแดนนะฮะ กนข้ามแดนก็แบ่งแดนกันไว้พอข้ามแดนมันก็เกิดปัญหาเกิดมาพัาเชื่อมโยงกลับไปกลับมาปรากฏว่าไอ้บาดแผลทั้งหมดเนี่ยมันจะมีอะไรเกี่ยวข้องอย่างไรกันตามแต่จริงๆแล้วมาจากใจที่โลภจัดโลภจัดเกินไปไม่รู้จักปรับใจให้พอใจยินดีในดินแดนของตัวเองในอาหารของตัวเองซึ่งก็เลี้ยงดูให้ความสะดวกสบายมาตลอด ก็ยังไม่เคยเจอภัยอันตรายเหล่านี้อันตราย น, นี้มันก็มาจากไปกินนอกเขตแดงกับตัวเองเอาการกินนอกเขตแดนมันก็มาจากความโลภที่จัดเกิดไปจนไม่อาจควบคุมไม่ได้ในสุดก็ต้องการจะทรมานตัวเองหรือลดความโลภของตัวเองให้น้อยลงไปกันเลยก็มาเข้าจำบทสดแต่ละแต่ละชีวิตนะฮะศาสตร์ทั้ง4ชนิดเนี่ย แล้วก็เกิดจากการมองเห็นมองเห็นความชั่วที่ตัวแล้วก็แก้ที่ตัวแต่ปัญหาปเป็นจะยาวขนาดไหนคือมีนี่มองหมุนได้นะฮะมองหมุนกลับมาได้เลยก็ แ, แสดงว่าก็คมความลึกซึ้งคือมองมองได้คมสาวไปจากตนแล้วก็เชื่อมไปหาคนอื่นแล้วก็ย้อนกลับมาหาตนลกลับม า, าตนก็เห็นเห็นว่าตัวเหตุจริงๆเมื่ออยู่ที่ใจที่ใจตัวเองทุกคนเห็นเ ห, นเหตุอยู่ที่ใจตัวเอง ใจคนหนึ่งก็ใจรักนะฮะใจงูก็ใจโกรธใจจิ้งจอกก็ใจโลภแล้วก็ใจหมีก็ใจโลภเกินไปเกินไปก็ไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีอะแต่มันโลภเกินไปจนขาดความยับยั้งชั่งใจนะคือมันไปถึงก็ไม่รู้แล้วนะไม่รู้ถนนน้นทางไม่รู้ที่จะไปที่จะทา ปัญหาก็มาถึงท่านฤาษีอย่างที่บอกนะว่าท่านฤาษีแม้จะเป็นพระโพธิสัตว์ก็ตามแต่ว่าตอนนั้นที่จริงแล้วเนี่ยท่านยังไม่ได้ไปไหนเลยหมายความว่าเป็นฤาษีแล้วก็ยังกิเลสก็ยังเรียบร้อยนะฮะยังสมบูรณ์ดีอยู่กิเลสตัวใหญ่ที่สุดก็คือมานะความถือตัวว่าเป็นวันนะพรามแล้วก็เป็นคนรวยนะรวยมาก่อนนะฮะจริงก็รวยมาก่อน ลักษณะเหล่านี้มนุษย์เป็นอย่างนั้นเองอหมายความว่าถ้าตัวมีเนี่ยฮะก็จะเอาตัวตัวของตัวเองเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นมานะถ้าไม่มีมันจะโหนคนอื่นนะอย่างเ อ, อเราเห็นเด็กๆนะเด็กๆ เ, นะ เ, เ, เ, เวลาต้องการักแดงปมเคืองตัวเองก็อ้างพ่ออ้างแม่แต่พอแม่ไม่ค่อยใหญ่นะฮะจะอ้างญาติที่ใหญ่ๆอ้างญาติที่ใหญ่ๆ อ้างนามสกุลอ้างซับอ้างอะไรก็ไม่รู้แต่จะไป ท, ท, ที่ที่จริงไม่ใช่คนเธอหรอกแต่ว่ามันก็อ้างโ hood อ้างโห o o อันอนี้ก็คือแนวแนวในการอ้างเพจะจะเกาะอิงสิง่งเหลืออื่นซึ่งบางทีมันมันเป็นเรื่องอดีตอย่างพระโพธิสัตว์ที่ท่านถือว่าท่านรวยมันก็เป็นเรื่องอดีตเพราะตอนนั้นตอนสละทับทิมัติหมดแล้ว แตยัถือว่าท่านเป็นวันน้าพราม์ที่จริงถ้าเป็นฤษีแต่ถ้าให้เป็นพรามเฉพาะในขณะนั้นเพราะฉะนั้นก็เป็นการหลงเงาในอนดีตเป็นการหลงเงาในอนดีตของตัวเองอย่างพระพุทธเจ้าใน ต, ตอนท่านเสด็จออกประนุษแล้วท่านก็ไม่ถือว่าท่านเป็นกษัตริย์ท่านก็เป็นนักบวชคนหนึ่งเท่านั้นเอง เพราะว่าใครใครทำอะไรเนี่ยเมื่อท่านไม่มีมานะมันก็ไม่มีอะไรแล้วบางทีเนี่คนเอาเศษอาหารที่กำลังกินมาตักบาตรถามว่าพระพุทธเจ้ารังเกียจหรือเปล่าเพรแกก็มีแค่เนี้ยนะแกก็มีแค่เนี้ยแต่ก็อยากจะทําบุญอะ่ะพระเจ้ารับสั่งว่าพระองค์ก็เป็นเหมือนกับป ร, รัตตทูบิชีวีเปรตเปรตที่เลี้ยงชีพโดยอาหารที่คนอื่นเขาให้ เขาให้อย่างไงมันก็เป็นเรื่องของเขาให้เราตามที่เขาจะมีมันก็ไม่ได้รังเกียจอะไรอันนี้ก็คือเราจะเห็นว่ามานะมันไม่มีมันก็อยู่ได้กินได้เป็นได้ไปได้นั่งได้นอนได้ก็มไม่ได้มีปัญหาอะไรท่านฤาษีท่านก็ตรงอื่นท่านไม่มีปัญหาแต่ท่านเกิดมีปัญหาในตัวมานะคือความถือตัว แล้วก็พอไปเทียบกับสั ต, ตว์สี่ตัวท้านก็ใหญ่กว่านะฮะนั่นก็เป็นเป็นคนคนเองก็มีมาน่าไม่เบานะฮะคื อ, อยังนึกสงสัยอยู่เหมือนกันเมื่อวานก็ไปตั้งข้อสงสัยให้คนแต่นั่นก็นั่งคิดเนี่ยนะฮนะเพราะว่าเขาเกี่ยวข้องอยู่กับสัตว์เนี่ยก็ลองคิดดูเถอะว่าที่เราคิดว่าเราเป็นสัตว์ประเสริฐเราเป็นเจ้าโลกอะไรต่ออะไรทุกอย่า ง, างที่เราคิดนะเราคิดตัวเองอะ่ะเราคิดกันเองเราพูดกันเองเราตกลงกันเอง ไอสัตว์เนี่ยมันยอมรับในสถานะนี้หรือเปล่าเพราะมันเองก็เป็นเจ้าโลกเหมือนกันคือไม่แน่นะฮะสัตว์อาจจะมองเราเป็นลูกน้องมันก็ได้วันนี้ที่นั้นมีมแมลงวันเยอะมาบอกคุณเราสังเกตดูเดี๋ยเวลาคุณปรุงอาหารเสร็จประวางแล้วคุณยังไม่ทันกินเลยมแมลงวันมาแล้วลูกน้องจัดโตะเรียบร้อยแล้วลงกินเลยก็ยแสดงว่ า, มาแมลงวันอาจจะคิดว่าพวกเธอพวกเรานี่เป็นลูกน้องเขาก็ได้นะ ตรงน้องเขาก็ได้พอเราวางอาหารป๊บเขาก็ขึ้นเลยวางน้ําพึ่งปั๊บมดมาแล้วนะมันขึ้นแล้วบางทีวางปั๊บก็หมามันกินแ ล, แล้วแสดงว่าพวกนี้เขาก็อาจจะรู้กันในหมู่พวกเขาาพวกเนี้ยพวกคนใช้พคนใช้สร้างบ้านไว้เขาก็ขึ้นอยู่ก่อนแล้วเรายังไม่ได้อยู่เดี๋ยวขึ้นอยู่ก่อนแล้วอบานที่ปูเตียงเรียบร้อยไว้แล้วนะฮเรายังไม่ได้ขึ้นนอนเลยมดขึ้นจะแล้ว<ะ>ยุงลงจะแล้วอะไรแต่ไรเนี่ยนะ ยิงจบยิงจกึกเรื่ขึ้นมาอยู่บนหลังคาเนีนะฮนะคือเราก็เคยแม่ไม่ได้เคยถามเขาว่าระหว่างเรากับเขากลาเป็นเจ้าโลกกันแน่เนี่ยเขามากกว่าเรานะฮะเขามากกว่าเราแล้วเขาเขาก็อาจจะรู้ว่าเขาเป็นเจ้าโลกเขาก็ทําอะไรตามทำความรู้สึกนึกคิดของเขาก็นี้ก็คือที่จริงมนุษย์มันก็หลงตัวเองนะฮะหลงตัวเอง แล้วก็หลอกกันในหมู่พวกตัวเองว่าเรานั่นเป็นสาตประเสริฐเป็นเจ้าโลกเป็นอะไรแต่อะไรก็ว่ากันไปนะแตท่ทุกๆจริงๆแล้วทุกๆชีวิตมันอ่านส่ยโลกทางนั้นก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของโลกสักคนนมานะตรงนี้มันก็เกิดขึ้นมาโดยการหลงเป็นกิเลสประเภทหลงนะฮะแต่เราจะเห็นว่ามันพร้อมที่จะออกมาโลก คหมายความต้องการให้คนยอมรับนัำถือสถานะเหล่านั้นก็เป็นอาการของหลงทีนี้ถ้าใครไม่ยอมรับน้ำถือมันจะเกิดโกรดโกรธมาจากมานะนี่ที่จริงเป็นอาการของหลงอาการของหลงตัวเองมันก็หลงมาทั้งนั้นแนะ่ๆก็ถูกคนอื่นปรุงคือปลุกเร้าก่อสร้างมาแต่ว่ามานะเนี่ยมันมั น, ม, นมันกิเลสประเภทที่เรียกว่า อย๋ยวถ้าไม่แรงเนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหามันจะเกิดเป็นลักษณะอย่า ง, นางหนึ่งที่เกิดเขเรียกสำนึกสำนึกคือสามัญสำนึกเช <c oughs> ่นว่าขติโยหังอิติมาโนโมาณะว่าเราเป็นกษัตริย์มันจะต้องมีการระมัดระวังในการสำรวมในการปฏิบัติตนในการปฏิบัติภารากิจจะต้องไม่ทําตนเป็นพิษเป็นภยัยเป็นอันตรายต่อราษฎรของตัวเอง เพราะฉะนั้นไอ้พวกมานะตรงนี้จึงจึงจึงเป็นกิเลสประเภททีละเอียดแต่ว่ามานะนี้เป็นกิเลสประเภทหยาบนะคือถือตัวเองว่าเลิศกว่าเขาหรือว่าถือถือตัวเองว่าเสมอเขาหรือถือถือตัวเองว่าเรวกว่าเขาก็ตามกันถือว่าเป็นกิเลสประเภทหยาบหยาบพระบัจเจกพุทธเจ้ารงหนึ่งได้บรรลุปัจเจกโพธิญาณแล้ว ก็เห็นพระโพธิสัตว์ยังไปไปถึงไหนก็ต้องการจะมาโปรดนะฮะต้องการจะมาโปรดต้องการจะมาเตือนสติมาให้สติพระโพธิสัตว์ไม่ได้อยู่พระพเจ้พระพุทธเจ้าก็มาถึงก็มานั่งบนอัศนะเลยนะอัศนะของพระโพธิสัตว์ซึ่งพวกพราหมณ์เนี่ยเขถือมากถึงอัศนะเนี่ยนะ แล้วเราก็มีจารีตที่เราถือมาค่อนข้างมากเหมือนกันนะแต่เราถือด้วยความเคารพหมายความว่าเราถือเองไม่ใช่ท่านถือเจอาสน า, าตรงนี้อุปชายะ น, น, นั่งเนี่ยเราไม่กล้านั่งเลยมาถึงแม้จะเขาจะปูไว้เราก็ต้องรื้อออกอย่างว่าวันพระหลังวันพระเนี่ยคือพระทุกองในที่จริงไม่ใช่เป็นอาจารย์กรรมฐานมาสอนกรรมฐานแต่ว่ามาสอนแนทนรูปเดช แต่วแวเลลวลากอบูนีก็ปูอาัสานะสมเด็จไว้เพราะเมื่อเรามาแทนเนี่ยมาถึงสิ่งที่เราทำก่อนอื่นก็นอกจากกราบพระพุทธรูปแล้วมันต้องรืออัศนานั้นออกแลวเราก็นั่งอัสนะข้างล่างอ่ะนะฮอัสนานั่งมาก็ไออัสนานั้นสำหรับสมเด็จไม่ใช่สมเด็จท่านถือแต่เราต้องถือคือเราต้องถือเองเราต้องให้ความเคารพเป็นหลักปฏิบททัติที่ที่มีมาตั้งแต่ไหนแต่ละ แต่ไม่ใช่ผู้ใหญ่ถือนะฮะเป็นเรื่องผู้น้อยต้องถือก็อให้ความเคารพที่นั่งพระพุทธเจ้าที่พระเจ้าประทับนั่งอลไรแต่เราไม่นั่งออย่างวัดบว ร, บรเนี่ยมีแท่งหินอยู่สองแท่งนะฮะต่านท่านหลายท่านสังเกตเรามีที่ต้นประดู่ที่ตำหนักยันแล้วก็หน้าโบดร้านในวัดบัวรเนี่ยรับการบอกเล่าต่อต่อกันมาเลยว่าตรงนี้เป็นที่ประทับนั่งของสมเด็จพระมหาดับนาะซึ่งเป็นบุรพ aja าานะนะฮะ สมพยาปเวเรศแต่จริงๆที่ท่านนั่งนะี่ยมันก็ถูกชำระล้างสึกกร่อนไปหายไปนานแล้ว่นะนานแล้วนะี่แต่เราถือว่าเป็นที่ประทับนั่งเราไม่นั่งยังไม่มีใครนั่งอ่ะนะก็ ท, า ท, าทํานั่งดีก็น่านั่งดีงั้นแต่ชาวบ้านบางทีก็มาก็เอาเหมือนกันนะนะมามานั่งแล้วจะเห็นว่าพระวัดวอยเวลาถ่ายรูปเนี่ยมันถ่ายข้างล่างถ่ายข้างล่างพระแท่นนั้นแท่านหินเนะี่ยหินธรรมดาเนี่ะแนตะ่จริงๆแต่ว่าเป็นที่เคยประทับ เราก็ไม่นั่งกันไม่ใช่มานะแต่เป็นเรื่องคาระวะไม่เร่งคาระวะเป็นเรื่องจารีตนะฮะแต่หมายความว่าถ้าเราถือเองเนี่ยก็แสดงว่าเรามีมานะเห็นว่าที่นั่งของเราเนี่ยเราไม่ให้คนอื่นนั่งมันอาจจะเป็นการต์หนีก็ได้นะเป็นการหวงก็ได้หรือเป็นการถือตัวก็ได้นะคนอื่นมานั่งร่วมบริโภคร่วมใช้สอยร่วมอะไระอะไรไม่ได้กิเลสนี้กิเลสใหญ่นะค่อนข้างใหญ่แกยะ ฤษีตนนี้ท่านก็เป็นอย่า ง, งานั้นพอมาถึงเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้านนั่งมันเกิดตีเสมอทันทีคือว่าถือว่าฉันถือว่าตัวเองเก่งกว่าใหญ่กว่านะครับถึงก็ดุเลยดา่ดาเลยด่าเล่นยังไ้หัวโล้นะนะมานั่งยังไง ก, ก็ด่าใช้คำหยาบๆหลายครับเราปัจเจกพุทธเจ้าท่านบอกว่านีส่สบุูรุษเธอนี่กำลังทําอะไร ตอนนี้ฉันบรรลุปฏิฆาปุตติยานแล้วนะเธอจะเป็นไตรมาสถุตเจ้าทํามมานั่งทำอย่างเงี้ยไม่เห็นไปถึงไหนเลยเธอต้องไปจะได้เป็นระพุทธเจ้าในพัะกับนี้จะชื่ออย่า ง, งานั้นอย่า ง, งานั้นจะมีพ่อแม่เป็นอย่า ง, งานั้นจะมีสาวกเป็นอย่า ง, งา น, น, านั้นอย่างนั้นกับบรรลุันั้นนั้นก็บอกคืออารามที่ท่านโกรธท่านถือตัวนะท่านไม่ได้ามอะไรเลย ยังโกรธอย่างงั้นเองแล้วพ ร, ระปัจเจกพุทธเจ้าท่านก็เตือนท่านก็ต้องการเตือนให้รู้นะฮะตอ น, นเตือนนี่เธอก็ออกบวชมานานแล้วเนี่ยเธอทําอะไรได้บ้างอ่ะเอาไปในอากาศแข่งกับฉันเอาไหมเสร็จแล้วเธอก็เหาะลอยกันไปบนอากาศนี่ก็ตกใจช็อกเลยตายแล้วไปเล่นกับพระประเจกพุทธเจ้าแล้วทีนี้ทาไง ทางก็ไปแล้วนะฮะจะกล่าบสักนี่ก็ไม่มีจะขอโทษก็มีขอไม่ทันแล้วอันนั้นไปแล้วมันเกิดเสียใจมากว่าคือพื้นดีนะฮะที่จริงคนพื้นดีสละสมบัติออกมาออกบวชเนี่ไม่ใช่พื้นธรรมดานะฮะจิตใจไม่ใช่ธรรมดาแต่มันไปเกี่ยวติดอยู่ที่อย่างก็ยกตัวอย่างท่านฟังนะี่ะมันมันมไอพวกนี้มันแปลกกิเลสมันเกี่ยวนิดเดียวเองอ่ะมันไปไม่ได้แล้ว คนเราอาจจะอะไรอะไรเยอะแต่มันมีจุดอ่อนของมันตรงนี้มันจะไปไม่ได้อย่างที่เคยเล่าถึงรุดเวนประาปธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาไม่โกรธเป็นคนมีขันติอดกกรั้นอดทนมากที่สุดคกด่ายังไงด่าพ่อด่าแม่ด่าโคตรด่าด่าอะไรก็โวยโกรธนังซื้อพิมพ์เขียนด่าหมาแกแกโกรธฮะก็จุดอ่อนไปอยู่ที่หมา ไม่ได้ไปอยู่ที่ตัวเองไม่ได้อยู่ที่อะไรเลยจุดอ่อนมันเกิด อ, อยู่ที่หมากคนั้นอันนี้คือคือคือว่ามันก็เสียในจุดนี้อาจจะรักษาวความดีอะไรไม่ได้เยอะแต่มาถึงจุดอ่อนตรงนั้นเลยเลยเลยไปไม่ได้เยตรงนี้ท่านอย่างอื่นท่านสละหมดนะท่านมีเมตตามากขนาดว่าสัตว์ ร, ร้ายตั้งสองสามตัวนะมาอยู่ด้วยกั น, นงูก็ไม่เบานะฮะ หมา จ, จิงเจาะก็ไม่เบาหมีก็ไม่เบาแต่มาอยู่ด้วยกันได้แสดงเมตตาไม่เบาเลยพลังก็เมตตาของท่านที่สามารถอยู่กับสัตว์ทั้งหลายได้สัตว์มานอนอยู่ใกล้ๆอาศมเนี่ยแล้วก็ติดอยู่ที่มานะมานะตัวเดียวแท้ๆเลยนะฮะติดอยู่ตัวเดียวแท้ๆนะก็เห็นโทษของมานะพระจากแจ้งแก่ใจคนทรมานตัวเองอะไรทีนี้นั่งจเจริญสมาธิมันอย่างนี้แหละ นะจับใดที่สงบตัวนี้ไม่ได้คือมานะนี่ตัดไม่ได้นะฮะมันมันระดับสมาธินี่ตัดมานะไม่ได้แร้วมันลดมานะได้แต่ว่าตัดไม่ได้เพราะว่ามานะเป็นกิเลสละเอียดพระอรหันต์้นั่นเองตัดมานะได้คนทั่วไปมันตัดไม่ได้มันจะไปเกี่ยวตัวน้นตัวน้นตัวน้นตัวน้นอยู่รเรื่อยเนะี่ยสมมติเราไม่มีอะไรแล้วนละกิเลสได้เยอะเลยไปเป็นพระริยบุคคลระดับอนาคามี ระดับน้คามีท่ารับมานะ่ไม่ได้นะแต่ก็เกิดความรู้สึกว่าชั้นเหนือกว่าเธอคือโสดาเธอสกกิตาคารในชั้นน้คามนี่เด็กมันก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาได้มันก็กลายเป็นสนิมใจมันไม่ถึงกับทาน้ําให้ขุนเครอะไปหมดเลยเหรอกแต่ว่ามันน้าก็ขุนแต่จิตใจก็จะขาดความสงบลงไปเพราะในจุดนี้ท่านจึงพยายามที่จะทรมานตัวนั่งเกเรสมาจิ ก็ตกลงว่าแต่ละคนนี่เห็นโทษเห็นโทษของอะไรเห็นโทษของความรักนะนกพิราบเป็ น, นโทษของความรักงูเห็นโทษของความโกรธหมา จ, าจาิงจอกเห็นโทษของความโลภแล้วก็หมีก็เห็นโทษของความโลภอันนี้ก็เห็นโทษของมานะกิเลสทั้งนั้นนะนะเห็นไหมกิเลสทั้งนั้นหลยห้าตัวห้าคนก็เห็นกิเลสคนละตัวเองกิเลสคนละตัวตัวพระโพธิสัตว์เองนะถ้าประลบบาปที่ไปก้าวราวกับพระปติเจ้พุทธเจ้า เดี๋ยวเชื่อมต่อว่ามาทำมจึงเกิดก้าแล้วก็เพราะเราพูดพูดคําหยาบทําไมจึงพูดคำหยาบเพราะเราเกิดโกรธทําไมจึงโกรธก็พระมานั่งที่อาสนะตัวเองมันน่าจะถือเป็นสิริมงคลทํำไมจึงโกรธเพราะเรามีมารณ์ว่าเราเราเหนือกว่าพระปฏิเสกพระจ้ามันก็จับได้มันก็จับตัวกิเลสได้นะฮะจับตัวกิเลสได้ก็โยงมาเยอะเหมือนกันนะฮะจับตัวกิเลสได้ในสุดก็มุ่งไปทรมานเด็ดนี่แล้วตกลงว่าทั้งหชีวิตเนี่ย ตกลงร่วมกันวันนี้จะปฏิบัติอย่างนี้แต่พวกนี้เขาเอาเฉพาะโบสถพระโพธิสัตว์ไม่ได้เอาอโบสถอย่างเดียวเอาสมาธิด้วยเพราะาต้องต้องลดมานะลงไปจนจนแม้จะมีอะไรมากระตุ้นเดก็จะไม่เกิดปฏิกิริย า, าตกลงจบลงด้วยแต่ละสี่ชีวิตแรกนะฮะนกปิราบงูแล้วก็มาจิงจอกกับหมี ก็สามารถข่มสามารถข่มนะฮะไม่ใช่สามารถดับสามารถข่มความรู้สึกตรงนี้ลงไปได้เวลาเกิดก็รู้เท่าทานมันได้คลา้คลายกับเรารู้ไฟว่าไฟไหม้นะไฟไหม้เราก็ดับได้แต่ที่มันมีปัญหาคือไม่รู้มัน น, นั่นเองเราฝึกปรือในชั้นการบรรเทาฝึกปรือในชั้นศีลแล้วก็อยู่ในอวาสของพระโพธิสัตว์ พระโพธิสัตว์เองบำเพ็ญเพียรเจริญสมาธิก็อ่านศีลไปแล้วนะฮะจนได้บรรลุรูปฌานระูปฌานแล้วก็ตายแล้วก็ไปบังเกิดในพรหมโลกพระโพธิสัตว์สัตว์เหล่านั้นก็บังเกิดในสุคติด้วยกันทีนี้ก็มาสรุปว่าห้าชีวิตคราวนั้นนะ่คือใครบ้างนกพิราบเนี่ยมาเป็นพระอนุรุษนะฮะซึ่ง เป็นพุทโธจาที่เลิศในทางที่เปจักสุขมีมายังจอกมายังจอกมาเป็นพระหมหากาตปะก็ดูท่านท่านจะเห็นโทษของความโลภมากนะครับนก็อยู่ในอัตยาศัยของท่านอยจะพบว่า พ, าพระหมหากาตปะนั้นมีทับร้อยหกสิบโกดเนี่ยนะครับ โกดังก็สิบล้านนะแต่ไม่ใช่สิบล้านบาทนะฮะสิบล้านกหาปะนะัญะมันแพงมากสละทรัพย์สมบัติเราได้ได้คือแสดงวรังเกียรตของโลภมากอยู่ในจิตสัณดานเลยังเกียติตัวความโลภมากังเกียรติทรัพย์สมบัติที่เป็นที่ททททตั้งของความโลภมากพระโมคคลลานาะนั้นไม่ใช่หมีหมีก็มาเป็นพระโมคคัลลนะ ซึ่งเป็นอักษาวอกฝ่ายขวาของพระเู้ฝ่ายซ้ายของพระพุทธเจ้าเลี้ยงงูก็มาเป็นพระไารบุทรธก็เราจะเห็นว่าพระอรหันต์ชั้นยอดสี่รูปนะอีกรูปคราวหนึ่งยังไ่เกิดเป็นสัตว์หมดเลยยังเกิดเป็นสัตว์ก็สัตว์เจริญรับก็ค่อนข้างต่ำไปด้วยนะฮะเป็นพวกงูพวกก็เรียกว่าเดียงสาน้อยนะฮะ คือรู้อะไรเรื่องน้อยอันนี้ก็คือคือจะเห็นอีกชุดหนึ่งก็คือเรื่องสังสารวัตรความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสังสารวัตรในเงื่อนไขต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละจุดเนี่ยหรือถ้าเราไม่คิดแบบสังสารวัตรคิดเป็นวนันเป็นเดือนเป็นปีนะฮะคิดเป็นวนันเป็นเดือนเป็นปีมันไม่ได้คิดในไกลขนาดนั้นเราเห็นได้ว่าศาสตร์ใดที่จิตใจเรายัางไม่มั่นคงนะ่ะ การทำความดีของเราก็จะลักกะปิดตักระเปิดลมเพลิมลมพัดอย่างเงี้ยมันเอานิยายอะไรไม่ได้นะฮะบางวันใจก็เป็นเทวดาบางวันก็ใจเป็นพรหมบางอย่างบางวันก็ใจเป็นมารบางอย่างบางวันก็ใจตกนรกหายไปเลยบางวันก็ใจเป็นเปรตมันก็เปลี่ยนไปได้เรื่อยๆนี่ก็คือแรงของกิเลสและแรงก่อนธรรมะที่มันเกิดชักขเยอะกันอยู่ ชักะเยืะอกระดูภายในจิตใจของเราไอ้ค้องแอร์เนี่ยที่ยิงดูยากเมื่อวานเนี่ยมันลมมันพัดนะมันมันถึงมันร้อนเหมือนยอกเขามันร้อนมาก็บอกดูพอดีลมมันเย็นมากบโยลมสังเกตดูนะพอลมมาเนี่ยมันมีอะไรมันความร้อนมันลดลงไปใช่ไหมความร้อนมันลด แต่เนี่ยจากความร้อนลดเพราะความเย็นมันเพิ่มความเย็นมันลดเพราะความร้อนมันเพิ่มเนี่ยหรืถ้าเราคิดถึงอาการกิเลสแล้วเราจะเห็นภาพอย่างชัดเจนว่าลักษณะของกิเลสกับธรรมะที่มันคุ้มครองใจเราไม่คือมันยึดครองใจเราไม่นานใช่ไหมหมายความว่าธรรมะก็มีไม่นานกิเลสก็มีไม่นานมันเป็นอาการที่หลุกหลิกอาการที่หลุกหลิกแล้วแสดงนั้นก็คือลุกลี้ลุกลนปั่มปเป๋าเป๋าลมเพลลมพัด สามวันดีสี่วันไรนะ้เอาแน่นอนอะไรไมนะ่นั่นคือแสดงว่าจิตใจไม่ได้มีเครื่องยึดเนี่ยวคือว่ากิเลสจะเอาชนะจริงๆก็ไม่เชิงมันปัดกัน ร, รับปัดกันรุกปัดกันรบปัดกันรุกก็ต่อสู้กันอยู่อย่างนี้ทําให้อาการเราในผิดปกติแต่ทีนี้ถ้าอาการอย่างใดอย่างหนึ่งเขายึดครองได้เขาครอบงำได้นานๆก็มันจะเกิดเป็นภาพสะท้อนของธรรมะ ภาพสะท้อนของเมตตานะฮะภาพสะท้อนของอะไรก็แล้วแต่เราจะมีธรรมะก็ได้ที่มันจะสืบเนื่องไปจากนั้นก็คือว่าพวกนี้คนชั่วพอชั่วมากเข้าเนี่ยจะทําดียากมากเลแต่คนดีพอดีต่อเนื่องเข้าไปในจิตใจเนี่ยจะทําชั่วได้ยากมากแต่ถ้าหากว่าให้แกทําดีจะทําได้ง่ายมากไอ้พวกนีมเป็นกานจนะทำชั่วกว่าทได้ง่ายนั่นก็คือ จิตที่มันถูกยึดครองได้นานยึดครองด้วยกิเลสหรือยึดครองด้วยธรรมะนานมากก็สร้างไปลักษณะนิสัยเป็นพฤติกรรมถาวรจะทำให้คนเป็นคนดีคนชั่วก็โดยอาศัยการกระทมที่อะไรมากนะฮะชั่วมากก็จะเป็นเป็นคนชั่วดีมากก็เป็นคนดีนี่ก็คือเป็นเป็นเป็นลีลาเป็นเป็นอาการของกิเลสเป็นอาการของธรรมะที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคล มาวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมก็มีแต่ท่านสาธชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านท่อืน